2.4 หลวงปู่มั่นสอนธรรมะหลวงปูส่สวัสด์และหลวงปู่ดูลงเล็บเปิด5เมษายน2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดทำไมแต่ละองค์หรือบางทีองค์เดียวกันสอนแต่ละครั้งไม่เหมือนกันที่แต่ละองค์สอนไม่เหมือนกันนั้นต่างกันที่จำนวนโวหารหรือบางทีองค์เดียวกันสอนไม่เหมือนกันนี่สอนตามจริตนิสัยของคนเรียน ยังหลวงปู่มั่นเวลาสอนลูกศิษย์ทั่วๆไปนะท่านก็สอนให้พุทธโทพิจารณากายแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วๆไปเป็นมาตรฐานของท่านแต่ไม่ได้มีแค่นี้ท่านสอนหลวงปู่สุวัตบอกเครื่องหมายคำพูดเปิดถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูกายไม่ได้ให้ทำความสงบเข้ามาปิดเครื่องหมายคาพูดแต่ละองค์ท่านสอนไม่เหมือนกัน ท่านสอนหลวงปู่ดูลยิ่งอัศจรรย์เข้าไปใหญ่นะท่านสอนว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดสัพเพสังขาราสัพเพสัญญาอนัตตาปิดเครื่องหมายคําพูดไม่เห็นมีกายเลยหลวงปู่ดูลเพิ่งได้ธรรมะขั้นต้นต้นเองเรียนไปไม่กี่เดือนนะได้ธรรมะขั้นต้นจากหลวงปู่มั่นพอไปห า, หาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนบอกเครื่องหมายคําพูดเปิดสัพเพสังขาราสัพเพสัญญาอนัตตาปิดเครื่องหมายคําพูด ทั้งสังขารและสัญญาเป็นอนัตตาไม่ใช่เรื่องกายเป็นอนัตตาแล้วทำไมหลวงปู่มั่นสอนอย่างนั้นเพราะหลวงปู่ดูลมีปัญญาแก่กล้ามากสอนให้ดูสัญญาและสังขารคือสอนอะไรสอนธรรมานุปัสสนานั่นเองสอนเข้าไปตรงนั้นเพราะหลวงปู่ดูลอินรีกล้าปัญญากล้าหลวงปู่ดูลใช้เวลาไม่นานตีความธรรมะอันนี้ได้ปิ้งขึ้นมาท่านไปปิงเอาแถวถ้ำพระเวทตอนที่จะปิ้งนะไปฉันข้าวไปบินธบาีมา ฉันข้าวแล้วก็ล้างบาดอยู่เห็นหมาหลายตัวจําไม่ได้แล้วเท่าไหร่ตัวไม่ใช่ให้หวยนะแต่จําไม่ได้หมาหลายตัววิ่งไล่แมวมาแมวก็วิ่งหนีขึ้นต้นมะละกอไปหมาก็เห่าอยู่โคนต้นไม้แมวก็หันมามองหมาแล้วยิ้มเย่ะหมาว่าเองทําอะไรค่าไม่ได้หรอกนะพอจิตท่านสัมผัสแมวมันยิ้มเย่อหมาเนี่ยนะจิตของท่านยิ้มยอะกิเลสขึ้นมาเลยตอนนั้นฟังอย่างนี้คล้ายๆเรื่องของเซนนะ อย่างพระเซนได้ยินอิการ้องแล้วก็ซาโตริขึ้นมาพวกเราไปฟังอิการ้องให้ตายก็ไม่ซาโตริหรือไปดูหมาไล่แมวดูอย่างไรก็ไม่ซาโตริมันซาโตริขึ้นมาได้ไม่ใช่เพราะว่าไปเห็นอะไรหรอกต้องรู้กายต้องรู้ใจจนช่ำชองแล้วพอมีอะไรมาสกิดนิดเดียวนะปัญญามันทางานมันระเบิดเปรี้ยงเลยมันถอดถอนกิเลสเลยฉะนั้นงานหลักจริงๆคือรู้กายรู้ใจ ไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาว่าจะดูแมวเมื่อไหร่แมวจะวิ่งขึ้นต้นมะละกอรเราจะได้บรรลุไม่บรรลุหรอกนะเอามะละกอไปทำส้มตำกินดีกว่าทางใครทางมันนะแต่ทุกคนต้องเจริญสติ